บทที่70เสียงเพลงในกุฏิตั้งแต่นำนารีผลมาไว้ในกุฏิท่านพระครูแอบสังเกตว่านายแดงกับนายขาวมีพฤติกรรมที่แปลกไปจากเดิมเด็กหนุ่มสองพี่น้องไม่รู้เรื่องที่สมภารวัดป่ามะม่วงรับฝากมรดกของนายสัมฤทธิ์ไว้และท่านก็กำชับบุตรชายสมภารตุว่าห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ผู้ใดฟัง เพราะเกรงว่าญาติโยมจะพากันแห่มาดูจนท่านไม่เป็นอันทมอะไรเช้าวันหนึ่งท่านพระครูกําลังจะไปทำงานบุญขึ้นบ้านใหม่ซึ่งโยมคนหนึ่งนิมนต์ไว้เห็นใดแดงมาทำรับๆ ล, ล, ล่อๆอยู่หน้าประตูจึงถามมีอะไรจะพูดกับข้าหรือเปล่าถ้ามีก็รีบๆพูดมาประเดี๋ยวข้าจะไปไม่ทันงานเขา ก็มีไ ม, ไม่ไม่มีอะไรหรอกแฝดพี่ตอบอึกๆอักๆอา้าวเอาให้แน่มีหรือไม่มีท่านคาดคันคือผมผมอยากยืมเทปเพลงหลวงพ่อครับหนุ่มน้อยแข็งใจพูดเทปเพลงอะไรข้าไม่ใจพระฟังเพลงหรอกนะ แต่ผมได้ยินจริงๆครับหลวงพ่อเจ้าขาวก็ได้ยินจริงไม่ขาวเขาถามน้องชายจริงครับหลวงพ่อผมกับพี่ชายได้ยินทุกคืนโดยเฉพาะตอนดึกๆเพลงเพราะมากจนผมอยากฟังบ้างเพลงไทยหรือเพลงจีนท่านถามอีกยังนึกไม่ออกว่าเสียงเพลงนั้นมาจากที่ใดในายแดงตอบว่า ไม่ใช่ทั้งสองอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงอะไรฟังดูคล้ายๆเพลงแขกแต่ว่าไพเราะเหลือเกินครับผมไม่เคยได้ยินเพลงที่ไพเราะเช่นนี้มาก่อนเลยในชีวิตหลวงพ่อไม่มีเทปเพลงจริงๆหรอครับเขายังไม่ปร่งใจเชื่อข้าจะโกหกเองทําไมกันแต่เท่าที่ฟังเองเล่ามา ก็พอจะมีเขาอยู่บ้างเอาเป็นว่าข้ากลับมาค่อยพูดเรื่องนี้กันดีไหมคืนพูดตอนนี้เกรงว่าจะทำให้งานเขาเสียดีครับหลวงพ่อนายขาวรับคําแล้วจึงพูดอีกว่าตั้งแต่ลงงนากลับมาจากงานศพหลวงพ่อสํมฤทธิ์มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่จนผมกับพี่ชายงงไปหมดแล้ว อย่างเมื่อคืนตอนหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาผมกับพี่ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคุยกันอยู่ข้างบนมีเสียงหัวเราะต่อกระซิกกันแต่ฟังไม่ถนัดว่าเขาพูดอะไรกันบ้างและก็ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้พูดภาษาไทยเห็นท่านอารมณ์ดีหนุ่มน้อยจึงกล้าพูดในสิ่งที่ตนสงสัยมาหลายวันยังมีมากกว่าที่เจ้าขาวเล่าอีกนะครับหลวงพ่อ คือไหนๆก็ได้พูดแล้วผมก็ขอพูดให้หมดเพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องเสียหายขึ้นอีกผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครคอยใส่ร้ายป้ายสีหลวงพ่ออีกรึเปล่าแต่ถ้าเขาไม่เห็นอย่างที่ผมกับน้องเห็นเขาต้องคิดว่าหลวงพ่อเป็นพระประราชิกแน่นอนนายแดงพูดเพื่อต้องการคําตอบในเรื่องที่ตนสงสัยหนึ่ง และไม่อยากให้ใครมากล่าวหาหลวงพ่อของเขาว่าเป็นพระประราชิกหนึ่งเรื่องชีฉบาเพิ่งจบไปไม่นานเป็นบทเรียนที่เขาทั้งสองต้องจดจําไปอีกเอาอีกแล้วหรือรู้สึกว่าคนบางพวกเขาอยากเห็นข้าเป็นพระประราชิกเลืเกินนะแต่ก็เสียใจด้วยเขาจะไม่ได้เห็นอย่างที่เขาอยากเพราะไม่มีวัน ที่ข้าจะเป็นอย่างที่พวกเขาอยากให้เป็นขึ้นชื่อว่าสักยะบุตรพุทธโอรสข้าจะไม่ขบฏ ท, ทรยศต่อสมเด็จพ่อเป็นอันขาดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและหานกล้าผมก็อยากจะเชื่อว่าหลวงพ่อคงไม่ทำเช่นนั้นแต่สิ่งที่ผมกับน้องเห็น มันทำให้ศรัทธาของเราต้องสั่นคลอนผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยครับหนุ่มน้อยพูดด้วยท่าทางเอาจริงเอาจังความอยากรู้และความสงสัยมีมากเกินกว่าจะเก็บเอาไว้ในใจโอ้โหมันร้ายแรงถึงขนาดนั้นเชียวหรือข้าก็ทำงานงกงกทั้งวันยังอุตส่ามีเรื่องขรหานินทามาเยือนอีกรุนี่ เอาละไหนเองสองคนลองพูดไปสิว่าข้าถูกเล่นงานเรื่องอะไรอีกท่านให้โอกาสสองพี่น้องได้ระบายสิ่งที่อึดอัดขัดข้องหลวงพ่อไม่รีบใช่ไหมครับผมเกรงว่าหลวงพ่อจะไปไม่ทันงานเขาในขาวพูดอย่างเกรงใจ เอาเอถอะท่าทางเองสองคนคงอกแตกตายใช่ก่อนที่ข้าจะกลับมาข้าจึงยอมไปงานช้าดีกว่าเห็นเองสองคนตายท่านพระครูพูดประชดผมสองคนคงไม่ถึงกับตายหรอกครับห่วงแต่หลวงพ่อกลัวว่าจะต้องเสียชื่อเสียงอีกในแดงเรียนตามตรง เอาละเอาละอย่าโมวพูดยั่นเยอะให้เสียเวลามีอะไรก็ว่าไปเลยขาวเองเล่าก็แล้วกันนายแดงเกี่ยงน้องชายเองเป็นคนเล่าแหละดีแล้วโรงไหนไม่แจ่มแจ้งค่อยช่วยเสริมนายขาวต่อรองท่านพระครูจึงตัดสินว่าไม่ต้องเกี่ยงกันเอาละเจ้าแดงเองเล่าไปสิ เรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับหลวงพ่อหลังจากหลวงพ่อกลับจากงานศพหลวงพ่อพี่สมริดผมมากได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงอยู่ในห้องหลวงพ่อหลวงพ่อไม่อยู่บางครั้งก็เป็นเสียงพูดคุยหัวรอต่อกระซิกกันและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือผมเห็นผู้หญิงสองคนเดินขึ้นเดินลงราวกับว่าพวกร่อนเป็นเจ้าของกุฏิบอกตามตรงว่าผมไม่สบายใจเลย ที่พบเห็นเหตุการณ์เช่นนี้เจ้าขาวเป็นพยานได้ว่าผมไม่ได้พูดเท็จนี่ดีนะครับที่ผมเห็นเกิดคนอื่นก็ไม่เห็นต้องเอาไปนินทาว่าหลวงพ่อมีผู้หญิงมาอยู่ด้วยผมปรึกษากับเจ้าขาวแล้วว่าจะต้องพูดเรื่องนี้กับหลวงพ่อก่อนที่คนอื่นจะมารู้มาเห็นผมไม่เข้าใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นและมันเกี่ยวอะไรกับเทพเพลง ท่านพระครูออกงงๆคือผมกลัวว่าจะถูกดุหาว่าพูดตรงๆเลยเอาเรื่องเทปเพลงมาอ้างอันที่จริงมันก็เกี่ยวอยู่เหมือนกันคือตอนแรกผมได้ยินเสียงเพลงผมคิดว่าหลวงพ่อมีเทปแต่พอเห็นผู้หญิงสองคนนั่นผมจึงแน่ใจว่าต้องเป็นเสียงพวกกรนทำไมหลวงพ่อทำอย่างนี้ล่ะครับ ผมไม่เข้าใจเลยท่านพระครูค่อนข้างมั่นใจว่าผู้หญิงฝาแฝดเห็นต้องเป็นนารีผลคู่นั้นพระรในถ้ำบอกว่านารีผลเป็นสิ่งกยสิทธ์สามารถร้องรำทำเพลงได้ยิ่งไปกว่านั้นยังแสดงฤทธิ์ด้วยการย่นระยะทางซึ่งท่านได้ประจักษ์แล้วในคืนที่นำมา ผู้หญิงที่เองสองคนเห็นแต่งตัวยังไงท่านถามเกิดหลอนอยู่ในชุดวันเกิดเหมือนที่ท่านเห็นที่ถ้ำเรื่องคงยุ่งแน่ใส่ชุดไทยสีทองครับสวยยังการะนางฟ้าในขาวตอบท่านพระครูรู้สึกโล่งอกและนึกชมเชยนารีผลที่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยได้การแต่งชุดไทยแทนชุดวันเกิด เอาละกลับมาข้าจะตอบคำถามเองตอนนี้ขอไปงานเขาก่อนแต่ข้าขออนุญาตนะถ้าเองเห็นผู้หญิงสองคนนี้อีกก็ให้ตามขึ้นไปดูได้หรือจะค้นดูก็ตามใจหากคิดว่าข้าเอาผู้หญิงมาซุกซ่อนไว้ยิ่งถ้าเองจับตัวไม่ให้ข้าได้จะมีรางวาัลตอบแทนข้าอยากเห็นอยู่เหมือนกัน ขอบใจที่บอกให้รู้ท่านเดินออกจากกุฏิพลางบริกรรมคัถาสหัสเนตโตเทวินโตไปด้วยและไปถึงบ้านงานก่อนหลวงพ่อแพรห้านาทีเจ้าภาพแสนยินดีที่เจ้าคณะจังหวัดรับนิมนต์โดยไม่เกี่ยงว่าเจ้าคณะอำเภอพรมบรุรีได้รับนิมนต์มาในงานด้วย ก่อนหน้านี้หากมีผู้มานิมนต์หลวงพ่อแพรจะถามว่านิมนต์พระครูจเจริญด้วยหรือเปล่าหากเจ้าภาพตอบว่านิมนต์ท่านก็จะไม่รับเพราะไม่ต้องการร่วมสังฆกรรมกับสมภารวัดป่ามะม่วงแต่เมื่อกลับจากศีลังกาท่านก็เปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อภิกษุรูปนี้เพราะได้ประจักษ์แล้วว่า เขาเป็นผู้มีศีลาจารวัตงดงามมีความกระตัญญูและอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่นอกจากนั้นยังได้ปรนนิบัติวัต ถ, ถากท่านเป็นอย่างดีอีกด้วยเมื่อหลวงพ่อแพรมาถึงท่านนั่งหัวแถวพระอุ้โสที่สุดพระครูเจริญถัดมาส่วนพระอันดับอีกเจ็ดรูปก็นั่งลดหลั่นกันลงไปตามลำดับพรรษา เจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงกราบหลวงพ่อแพรแล้วทักว่าหลวงพ่อสบายดีเหรอครับงานสร้างหลวงพ่อโตไปถึงไหนแล้วครับก็ก้าวหน้าไปมากมีเศรษฐีจากอําเภออินเข้ามาสมททุนอยู่เรื่อยๆตอนนี้ก็ได้หลายล้านแล้วละ่ะครบ2ี่สบล้านเมื่อไรก็จะลงมือสร้างทันทีหลวงพ่อแพรบอกกล่าว และผมจะช่วยบอกบุญญาติโยมให้เข้ามาช่วยนะครับขอบใจถ้าเธิดช่วยอีกไม่นานคงลงมือสร้างว่างๆก็ไปเที่ยววัดพิกุลทองบ้างนะยังติดใจฝีมือนวดของเธอไม่หายพวกลูกศิษย์วัดพิกุลทองนวดสู้เธอไม่ได้สักรูปเดียวท่านชมจากใจจริง กลับจากบ้านงานท่านพระครูก็เรียกนายแดงกับนายขาวให้ขึ้นมาอย่างชั้นบนท่านให้เด็กหนุ่มสองคนดูนารีผลแล้วบอกพวกเขาว่านี่ไงผู้หญิงที่เองสองคนพูดถึงข้าซ่อนผู้หญิงไว้จริงอย่างที่พวกเองสงสัยนั่นแหละแล้วหลวงพ่อไม่กลัวอบัตหรอครับนายแดงถามเขามองซากทารกชลา สองคนที่นอนขดอยู่ในพานไม่เชื่อสักนิดว่าสิ่งที่เห็นจะเป็นหญิงสาวโสภาสองคนนั้นท่านพระครูรู้จึงพูดว่าไม่เชื่อก็ตามใจแต่ข้าได้เห็นมาแล้วตอนไปประเทศศรีลังกาถ้าไม่เห็นก็คงไม่เชื่อเหมือนพวกเองนั่นแหละเอาละถ้าไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าสองคนนั้นเป็นใคร มาจากไหนเองบอกว่าเขาสวยมากแสดงว่าต้องไม่ใช่คนแถวนี้แล้วถ้าเขามาจากที่อื่นจะมาค่ำค่ำมืดมืดได้ยังไงลองไปตรองดูก็แล้วกันแล้วจึงพูดกับนารีผลว่ามาอยู่ก็อย่าทำให้หลวงพ่อเดือดร้อนนะคนเขายิ่งพากันจับผิดหลวงพ่ออยู่ด้วยอ๋อแล้วก็ต้องขอขอบใจ ที่รู้จักใส่ชุดไทยหากใส่ชุดวันเกิดหลวงพ่อคงถูกกล่าวหาจน ด, ดินไม่หลุดแน่ช่วยทำให้เจ้าสองคนนั้นมันหายสงสัยเสียทีไม่เช่นนั้นมันจะเอาไปเที่ยวพูดให้หลวงพ่อต้องเสียหายซึ่งมันถนัดกันนักให้มันรู้คืนนี้เลยนะเชิญเลยทั้งสองคนเป็นอย่างที่หลวงพ่อเล่ามา ข้าจะขอท้าพิสูจน์ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลวงพ่อสร้างเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาทำไมนายแดงพูดอย่างไม่เกรงใจสมภารวัดป่ามะม่วงไม่รู้สึกโกรธเพราะทราบดีว่าหนุมน้อยมีความปรารถนาดีเขาไม่ต้องการให้ท่านเป็นที่คอรหานินทาของคนบางพวกซึ่งมีทั้งพระและคฤรหัดหากจะวัดกัน ว่าระหว่างภิกษุชั่วกับครหัตชั่วอย่างไหนจะเลวร้ายกว่ากันคงต้องนำคำกล่าวของท่านจักขุบาลมาเป็นหลักฐานเพราะท่านกล่าวว่าครหัตชั่วหรือบรันรพะิตชั่วมันก็คือคนชั่วเหมือนกันข้าจะมีเวลามาสร้างเรื่องหลอกเองอย่างนั้นหรือคำพูดของท่านพระครูทำให้หนุ่มคู่แฝดเกิดสานึก ในผิดชอบชั่วดีจริงสิหลวงพ่อของพวกเราทำงานทั้งวันจนแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองแล้วท่านจะมีเวลามาคิดสร้างเรื่องไร้าสาระเช่นนี้ได้อย่างไรและที่สำคัญก็คือผู้หญิงสองคนนั้นสวยเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจึงน่าจะเป็นนางฟ้านางสวรรค์มายุ่ยยวนกิเลสหลวงพ่อเสียมากกว่าเอาละ ความจริงก็มีเท่านี้แหละส่วนพวกเองจะเชื่อหรือไม่ข้าไม่สนใจยิ่งคนอื่นด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงขนาดเด็กที่ข้าเลี้ยงไว้ตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นก็ยังไม่เชื่อในความบริสุทธิ์ของข้านับประษาอะไรกับคนอื่นหมดธุระแล้วก็ลงไปได้ข้าจะเขียนหนังสือแล้วสองพี่น้อง พากันกราบท่านแล้วลงไปชั้นล่างข้างงงจังว่าขาวหลวงพ่อท่านไม่มีพิรุษอะไรเลยบางทีท่านอาจจะไม่ได้สร้างเรื่องหลอกเราจริงๆนั่นแหละหรือเองว่าไงก็ไม่รู้จะว่ายังไงแต่ผู้หญิงสองคนนั่นเป็นหลักฐานผูกมัดว่าท่านมีผู้หญิงอยู่ในกุฏิส่วนซากทารกเหี่ยวๆนั่นนะ่ะ จะเป็นหญิงสาวโสภาก็าไม่เชื่อเด็ดขาดเอาอย่างนี้ไหมคืนนี้ตอนหลวงพ่อไปเทศที่ศาลาพวกเราได้ยินเสียงเพลงก็บุกขึ้นไปชั้นบนเลยหลวงพ่อท่านอนุญาตแล้วท่านคงไม่ว่าหรอกในขาวออกอุบายดีเหมือนกันจะได้รู้ดำรู้แดงกันเสียทีเกิดหลวงพ่อท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆ พวกเราจะได้ไม่ต้องตกนรกนายแดงสรุปค่ำวันนั้นท่านพระครูไปสอบกรรมฐานให้ญาติโยมเช่นที่เคยปฏิบัตินมคู่แฝดต่างพากันเงี่ยวหูฟังว่าเมื่อไรจะได้ยินเสียงเพลงดังมาจากชั้นบนเฝ้าคอยแล้วคอยเล่าก็ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดลงมาจึงพากันขึ้นไปดู สิ่งที่สายตาสัมผัสคือพานว่างเปล่าไม่มีซากทารกชลานอนขดตัวอยู่อย่างเช่นที่เห็นเมื่อตอนบ่ายหายไปไหนหรือว่าหลวงพ่อเอาไปสลาด้วยนายขาวตั้งข้อสงสัยคงไม่มั่งท่านจะเอาไปทำไมกันนายแดงไม่เห็นด้วยงั้นก็รอให้ท่านมา พอท่านขึ้นข้างบนก็ตามขึ้นไปทันทีอย่าให้ท่านมีเวลาเอานารีผลวางไว้ในพานเช่นเดิมตกลงถ้าท่านดุก็ให้เรียนว่าเราต้องการพิสูจน์ตกลงกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็เฝ้าร อ, อการกลับของท่านพระครูประมาณสีทุ่งท่านก็กลับมาเพะว่ายังไม่ขึ้นชั้นบน ท่านเดินไปนั่งอย่างอาศนะและบอกเด็กหนุ่มทั้งสองว่าตอนสอบอารมณ์มีโยมหลายคนบอกว่าได้ยินเสียงเพลงไพเราะมากฟังคล้ายๆเป็นเพลงแขกสงสัยนารีผลไปรบกวนสมาธิเขาเองสองคนลงขึ้นไปดูซิว่าพากันกลับมาหรือยังเด็กหนุ่มวิ่งขึ้นไปดูแล้วกลับมารายงานว่า กลับมาแล้วครับเสียงที่พูดแฝงไว้ได้วยความตื่นเต้นตะคนสงสัย